เ็ดเอละกะโลมะโทวาปะนะศิกขาบทสี่สิบถามทรงบัญญัตินิสักคยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักขนเจียมณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณแคว้นสักกะถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบ พ, พวกภิกษุฉับ พ, พักขีถามเพราะเรื่องอะไร ตอเพราะเรื่องที่พวกภิกษุับพักขีใช้ภิกษุนีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักขนเจียมในเอละกะโลมะโทวาปะนะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหสมุดฐาน